เทศนาแผ่นที่82ระดับที่16โดยหลวงพอ่ออินทไวสันตุสโกวัดป่านาคำดอยจังหวัดอุดอรธานีสแสดงธรรมในวันที่15มิถุนายน2558มีชื่อเรื่องว่าเจตนาแรกเริ่ม วันนี้เป็นวันที่ส5บห้ามิถุนายนพุทธศักราช2558หสบวันนี้เป็นวันพระแรมส4บสี่ค่ำเดือนเจ็เพราะปีนี้เป็นแปดสองโหนแล้วก็อีกประมาณชักเดือนครึ่งก็เป็นวันเข้าพรรษาวันนี้เป็นวันวันปฏิบัติธรรมเป็นวันพระ มือเช้าก็ได้ทำกิจกรรมมีการไหว้พระสมาทานสินห้าผู้ที่รักษาโวสุดสินก็สมาทานวิรัตเจตนาอย่างที่พวกเราเคยทำมาทุกวันพระอันนี้คือการประกอบคุณงามความดีของพวกเรา ทำโดยสม่ำเสมอสรุปแล้วก็คือพวกเราไม่ได้ตั้งอยู่ในความประมาทประกอบคุณงามความดีไว้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้และก็พวกเราทุกๆ ท, ท่านที่เข้ามาสู่วัดวาศาสานาอย่างถูกพระสงค์ก็เหมือนกัน พวกเราทุกๆท่านทั้ง30สบกว่ารูปแล้วก็พร้อมกันกับพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมทุกท่านที่พวกเราเข้ามาสู่วัดวาศาสนามาปฏิบัติธรรมอย่างเนี้ยเราต้องการอะไรมีจุดประสงค์อะไรมีความมุ่งหวังอะไร อันนี้พวกเราก็อยากจะให้พวกเราทุกๆท่านให้ตั้งคําถามไม่อยู่ในใจเสมอเสมอถ้าพวกเราไม่ถามตัวเองนะพวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทนะคณะจตห ايا โยมพระเนนลูกหลานนะมันจะทะเลถลายไปทางอื่นมันจะมุ่งหวังไปทางอื่นมันจะมุ่งหวังไปทำ โ, โลกาภิลาภยศสนเสริญเยิอนยอ ลุ่มหลงมัวเมาไปในทางไม่ดีพูดง่ายๆเอาจากนั้นไปเลยถ้าหากว่าพวกเราได้ถามตนเองมาอยู่เสมอพวกเราก็จะไม่ลืมตัวเพราะว่าเรามีจุดมุ่งหมายของเราเราบวชมาเพื่ออะไรอย่างหลวงพ่อหนะลวงพ่อถามตัวเองอยู่เสมอนะ พาเ น, นลูกหลานเพราะนั้นถลงพ่อดูแล้วย้อนหลังดูภาคภูมิใจว่าเราไม่เคยที่จะทะเลถลายออกนอกลูก่นอกทางออกจากหลักพระธรรมวิ น, นัยผู้มาเกี่ยวข้องกับพยายามพูดพยายามทำความเข้าใจในพุทธบริษัทสจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจะเป็น ระดับไหนเข้ามาเกี่ยวข้องสำหรับเราเราเองก็มุ่งหวังมุ่งมั่นในใจเราไม่ได้มุ่งไปทางโลกไม่ได้มุ่งหวั ง, วงที่ว่าเราจะอยู่ในโลกนานเท่านานตายไม่เป็นเราไม่เคยคิดอย่างนั้นคิดมาถึงจุดจบคร่าราโอข้าน่จะมีชีวิตไปนานสักเท่าไรหนอเนี่ยข้า ควรจะประกอบคุณงามความดีอย่างไรหนอนี่อันนี้คือเราได้คิดไว้ในใจอยู่เสมอหรือจะไม่ตลอดเวลาก่อนพูดได้นึกได้เป็นส่วนใหญ่ทีเดียวเป็นส่วนมากทีเดียวเพราะนั้นถ้าว่าเราไม่ได้คิดในจ่วนนี้ส่วนนี้เอาไว้เราจะ หลงละเลงเผลอเรอได้ง่ายถ้ามีโลกามิตรเข้าม า, เ, าเรื่องลาบเครื่อเข้ามาหลงในจตุปัจจัยที่เราได้ใช้แต่นั้นเป็นเพียงปัจจัยอาศัยชั่วข่าวเท่านั้นที่จะเป็นของดิบของดียังไงก็เถอะก็เป็นปัจจัยอาศัยชั่วข่าวเพราะนั้นอย่าไป จมปลักกับเรื่องเหล่านั้นเพียงเหล่าเชื่องเรื่องเหล่านั้นคือเป็นปัจจัยอาศัยช่วครั้งช่วคราวช่วการเวลาได้อีกจย่างหนึ่งก็ผ่านกันไปท่านเองแล้วใครถามตัวเองว่าเรามีจุดมุ่งหมางมุ่งหวังมีจัดมีจุดมุ่งหมายอะไรที่เราเดินเข้ามาจุดนี้อย่างนี้ที่เราอยู่เป็น มาจุดทุกวี่ทุกวันอย่างนี้คือมารักษาศีลทุกวันพระอย่างนี้ตัางวัยพระก็เหมือนกันที่เราอยู่ป่าทวงพงภัยอย่างนี้เรามีจุดอะไรมีจุดมุ่งหมายอะไรในใจของเราถ้าว่าพวกเรามีจุดมุ่งหมาย <c oughs> เพื่อจะฝึกหัดดัดนิจใสหาทางพ้นทุก มันเรื่องทั้งหลายทั้งปวงมันน้อยนิดทนเองไม่มากนะถ้าหาว่าเข้ามาแล้วสะแสวงหาลาบยศชนะเสริญสุขทางโลกอันนั้นกว้างขวางเรื่องราวทั้งหลายเกิดขึ้นได้ง่ายเพราเอะรพออยู่เข้าไปก็มีสักมีสีมีเรื่องมีรา่ามีพักมีพวกวางมาัดสําหรับตนเอง อันนั้นแปลว่าลืมตัวละลืมเจ้าของลลืมสถานะที่ว่าเราเป็นอยู่เรามาอยู่ที่นี่อยู่เพื่ออะไรต้องการอะไรมีจุดประสงค์อะไรถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นแปลว่าลืมตัวแต่คนลืมตัวเข้าไปลืมมากๆเข้าไปกันนั้นมองไม่เห็นใครเห็นแก่ตัวจะมองไม่เห็นครูบาอาจารย์จะมองไปเห็นหมู่พกเพื่อน จะมองไม่เห็นใครทั้งหมดเพราะอะไรเพราะลืมตัวแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ลืมตัวเข้ามาเราทบทวนในการเป็นอยู่ของเราอยู่เสมอๆนั่นแหละเมื่อวางตัวออกไปเราก็จะรู้ได้ว่าอันไหนเป็นอันไหนอันไหนเหมาะสมอันไหนสมควรไม่สมควรอย่างไรเรื่องราวเป็นยังไงปฏิบัติตนอย่างไรในการสถานที่ กาละเทศการสถานที่บุคคลนะสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราทุกทกท่านนะทบทวนดูการเป็นอยู่ของพวกเราจากนั้นก่อนเนี่ยจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรเราก็ต้องมองบารมคกลูของพวกเราคือพระพุทธทเจ้าจากนั้นเรามองแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาดำเนินอย่างไร นี่แหะแต่ที่ยังไงถ้าเรามองแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเราขาดปรมาคูเราก็อาจจะขาดความน่าเชื่อถืออีกส่วนหนึ่งเพราะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเปฏิบัติอย่างหนึ่งแต่ถ้าว่าเรามองแต่ประธรรมคําสอนของพระพุทธทเจ้ามันก็ไกลเกินไปเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินอย่างไร เราจะยึดจุดนั้นที่จุดจุดในยุคปัจจุบันใกล้ๆเราเนี่ยเรามองไม่เห็นเพราะนั้นเราต้องมองทั้งสองอย่างคือมองปร ะ, ประแนวแถวพระพุทธเจ้าพาดำเนินส่วนนึงและก็ น, นำมองดูพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติมาปฏิบัติแล้วมาแนะนำสั่งสอนพวกเราเอกที่อยู่ใกล้ๆ จากนั้นเราก็เปรียบเทียบกันทั้งสองฝ่ายทั้งสองเรื่องจากนั้นเราก็แนะนํามาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของพวกเรากายวาจาก็คือศีลใจก็คือสมาธิเราปฏิบัติอย่างไงต่อศีลสมาธิและปัญญาที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนนี่แหละอันนี้พวกเราก็นํามา แนะนำบอกกล่าวกันอยู่สม่ำเสมออย่างผู้หลวงพ่อพูดวันนี้นะให้ศึกษานะลูกหลานนะพระเนนของเรานะอย่าไปคิดน้อยใจว่าครูบาอาจารยไไ์ไม่ได้แนะนำสั่งสอนพวกเราให้ฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงตาที่ท่านแสดงให้พวกเราฟังทุกวันนะั่นะหลวงพ่อก็ศึกษามาจุดนี้เหมือนกันไม่ได้แพ้กันเพราะนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายฟัง เพื่อการศึกษาเรียนรู้ในแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่าไปวันไหวไกวแหว่งเรื่องราวต่างๆให้เราฝังใจเชื่อในพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะอะไรเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยท่านปฏิบัติมาโดยสม่ำเสมอท่านไม่ได้มุ่งหวังลาบยศชนะเสริญอะไรทั้งหมดท่านอยู่แบบสันโดษ อยู่แบบพระแท้ๆในเมื่อท่านมรณะภาพลงไปแต่ละองค์กระดูกก็ได้กลายเป็นพระธาตุจะให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นตำตาตำใจของพวกเราอีกส่วนหนึ่งอันนี้คือเป็นรูปประธรรมในร่างกายของท่านแต่ส่วนนามท่านรมนั้นเรามองไม่เห็นแต่ท่านก็รู้วิธีการแนะนำสั่งสอน แต่บางคู่บางคนทุกวันเนี่ยมีมากหลากหลายเรื่องพระธรรมคําสอนของพุทธเจา้าอันนั้นผิดอันนี้ถูกอันนั้นไม่ควรอันนี้ไม่ควรเพอเพอยังหักล้างในพระธรรมคําสอนที่มีออกมาอีกแต่เรื่องสมาธิกดีกเนกาอุปจาระอปนาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่อง เป็นขั้นตอนในการขณะดจิตที่นึกคิดเรื่องสมาธิแต่ตามไม่จริงท่านจะไปพูดเรื่องฌานเรื่องฌานเอาเลยแต่หลวงตามหาปัวท่านก็บอกว่าฌานเป็นผลพลอยได้จากสมาธิถ้าจิตไม่สงบไม่เนิ่งซะก่อนจะเกิดฌานได้อย่างไรเหมือนกับเราไม่เรียนกอไก่แล้วจะไปเรียน บวกลบคูณหารไม่รู้จักตัวหนังสือกอไกซะก่อนเราจะไปรู้ตัวอื่นได้อย่างไรอันนี้ก็คือแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านสอนให้ไปเป็นขั้นตอนวิธีการทำสมาธิฌานนั่นละตัวไหนอะไรตัวไหนถ้าเราไปเลียงแบบไปเรียงฌานแล้วมาปฏิบัติอันนั้นเนท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็าบอกว่า นั่งภาวนาเลียงเลียงแบบเรียงคําพูดนั่งภาวนานเห็นอันนี้จังซะก่อนยังเห็นทุกขงังเห็นทุกขังแล้วเห็นอนัตตาหเห็นกายซะก่อนพิจารณากายซะก่อนยังเห็นเวทนายังคอยเห็นจิตเยังคอยเห็นธรรมอ น, นันท์บอกภาวนาเรียงแบบไม่ไปไหนหรอกเรียงแต่ตัวหนังสืออยู่นั่นละ่ะ อันนี้ก็เหมือนกันนะปฐมวชานละอะไรตุติจฉานละอะไรจตุทธาชานละอะไรปฐมวชานตุติจฉานจติจฉานจตุทธาชานเนวะสัญญาณาสัญญาสัญญาเวทายจะอนิโรธเอ๋มีอะไรละอะไรรู้อะไรก็ภาวนาเรียงแบบมีแต่ท่องท่องแล้วก็เรียงแบบเรียงแบบอันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรานห้เราบอกคณิกะคืออะไร คือทำจิตใจพยายามให้จิตใจสงบเี่ใจใจสงบอันดับแรกมันจะเป็นยังไงมันก็เข้ามาแบบเสียดเสียดิวๆก็เหมือนกับเราทานอาหารดูรสรสชาติบ้างพอรู้เรื่องราวบ้างพอต่อมากเอารู้เรื่องราวขึ้นมาต่อมาก็รู้เรื่อง การเป็นอยู่ของจิตจับจิตทันใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรสติของเราทันกับเรื่องจิตเรื่องใจของเราอันนี้แหละอันนี้ก็คือเรื่องสมาธิเรื่องสมาธิกระ ด, ดูสมาธิก็คืออะไรก็คือจับจจิตใจมันจะเป็นชานแล้วมันจะเป็นอะไรเราไม่ได้เรียงแบบหรอกมันละอะไรละอะไรบ้างกันรู้รู้แก่ใจ มันปรุงฟุ้งไปยังไงมันก็รู้แก่ใจใจของเราปิดปรุงพุ้งไปยังไงถ้าปฏิบัติแล้วจะดูลักษณะอย่างนี้ เ, เว้นเสียแต่ภาวานาแบบนั่งภาวานาแล้วปรุงฟุ้งไปอตัวนั้นเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวนั้นผทมมาชา น, นเลยตุติจฉ า, านเลยตาติจฉานละท้นนั้นสังโยชน์ที่เท่านั้น อ, อันไหนคือสังโยชน์พวกเราก็มีแต่ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดะนะท่านน ก่อนที rition. ่จะนั <hi> ่งภาวนาได้ไม um ่ลั่วเรียนกี่กะตักอันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยท่านไม่ได้ให้ดูที่อื่นนะดูใจใจของเราคิดเรื่องอะไรในขณะนี้ใจของเราเข้าสู่ความสงบหายใจของเราเนี้ยงไหมไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเรากําหนดลมหายใจเข้ารู้ั่าหายใจเข้าหายใจออกรั่วหายใจออก มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นท่านไม่ได้ตั้งว่าฌานนั่นฌานนี่หรอกขณะที่นั่งเข้าสมาธิต่อมาครูบาอาจารย์เขเออใช่พันกรดูเหมือนกับพวกเรียนอภิธรรมอย่างนั้น อ, อ, อภิธรรมจิตทนันดวงจิตทุนนี้ดวงฮะเพราะอะไร เพราะว่าขณะจิตที่มันไปเหมือนกับรอยเท้าของโคมันย่าที่ไหนแล้วก็ไปนับรอยเท้าของมันสรุปแล้วก็คือเรื่องใจของเราก็เหมือนกับตัวโคนะมันเดินไปที่ไหนมันก็ต้องเหยียบย่ําไปมันผ่านไปมันคิดเรื่องอะไรคิดดีมันคิดชั่วมันคิดปรุงมันฟุ้งอะไรเนี่ยเราก็ไปนับนับรอยเท้าโคตัวนั้นอ่ะฮะอันนี้ก็คือเรื่องที่ ท่านเรียนสอนอภิธรรมอันนี้อภิธรรมมาจากไหนอภิธรรมก็คือพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปสู่ชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึง์โปรดพระมารดาคือเทวดานะ่ไม่มีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอยาบเหมือนมนุษย์เป็นของละเอียดคือว่ามีแต่วิญญาณแล้วมีแต่ใจท่านก็เรื่องสอนเรื่องแนวความคิดของตัวผู้รู้คือใจ ท่านสอนเทวดาท่านก็นสอนอีกแบบหนึ่งท่านสอนมนุษย์ท่านก็นสอนอีกแบบหนึ่งแต่ละวิธีการสอนของพระพุทธเจ้ามีมากหลากหลายที่พวกเราศึกษาในพระไตรปิฎกนะแต่ขนาดสอนแต่ละองค์ก็ยังไม่เหมือนกันบางองค์ก็บอกว่าอันนี้เป็นวิสัยของพุทธพุทธพระพุทธเจ้าท่านเองจะสอนได้สาวกสอนไม่ได้อย่างนี้ก็มนะีถ้าเราได้ศึกษานะ ในพระไตรปิฎกถ้าสรุป ก, ก็คือต้องอ้างอิงพระไตรปิฎกทั้งนั้นแหละเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านอย่าสับสนสรุปแล้วให้ยึดแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นให้ท่านสอนให้ศึกษาดูให้ยึดแนวแถวขององหลวงตาพาดาเนินเนี่ยแหละองหลวงตาเนี่ยพระท่านรู้ท้งปริยัต ท่านได้ปฏิบัติด้วยได้ทั้งสองอย่างทั้งปริยัตทั้งปฏิบัติแนววิธีวิธีการแนะนําสั่งสอนของท่านท่านสอนอย่างไรให้ศึกษาท่านก็ยกมาทางพุทธประวัติพระพุทธเจ้าด้วยเป็นตัวอย่างจากท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาดําเนินมาอย่างไรอกีกเราก็ยึดตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนิน เรื่องเดินมักท่านทำยังไงสมาธิท่านเดินยังไงปัญญาท่านเดินอย่างไรสติท่านทำยังไงวิริยะความเพียรท่านทำอย่างไ ร, ร, งไรสิ่งเราในพวกเราศึกษาแนวแถวของท่านสรุปแล้วก็คือทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดไม่ไปออกไปจากที่อื่นให้ดูใจเท่าน้แล้วมันจะเป็นอะไรขึ้นมา โลภเราก็รู้แก่ใจโกรธเราก็รู้แก่ใจหลงเราก็รู้แก่ใจราคะโทสะโมหะมันออกไปจากใจทั้งหมดถ้ามีสติดูที่ใจแล้วเรื่องราวอะไรมันจะออกไปจากไหนมันไม่ใช่มาจากดินฟ้าอากาศนะเรื่องทั้งหลายทั้งปวงนะเฝ้าดูดูสังเกตดูเอาสติจับดูที่ใจใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ ในเมื่อเราภาวนานานๆเข้าทีแรกเหมือนกันนะเราก็กกำหนดกายซะก่อนเป็นของหยาบให้ดูกายพอแม่ครูบายอาจารย์บอกว่ากายเนี่ยเป็นหินรับปัญญานอะมองข้ามไม่ได้เราต้องพิจารณากายก่อนจนกว่าจะขึ้เข้าถึงใจแต่ผู้ที่จะเข้าถึงใจเลยก็ได้แต่ผู้มีอุปนิสัยแต่โดยมากต้องพิจารณา ของหยาบสกักอนจับของหยาบสกักอนทับปรับไปจับของละเอียดถผมเดี๋ยวก็นนะั่นนะกระตุบหน้ากระตุบหลังไปเรื่อยเพราะเหตุไยเพราะใจของเรามันมันอยู่ในมันมันไม่มันไม่ละเอียดอมันไม่รู้มันจับไม่ได้แต่ขนาดของหยาบหยาบยังจับไม่ได้จะไปจับจับของละเอียดได้อย่างไรเนี่ยขนาดหยบหยาบยังมองไม่เห็นจับลมก็ยังไม่อยู่อแล้วจะไปจับตัวจิตได้อย่างไร มันไม่ทันก็นหรอกเอเพราะฉะนั้นพ่อแม่กูบาอาจารย์ทึงให้ฝึกสติให้จับ อ, อลมหายใจเข้าออกซะก่อนหายใจเข้ารู้หายใจเข้าหายใจเข้าพดหายใจออกถไม่ให้เผลอไม่ให้หลงตัวนี้ซะก่อนในเมื่อจสติของเราแก่กล้าจิตใจของเราจับลมหายใจเข้าออกอยู่แล้วจากนั้นก็ น, นํามาพิจารณามาพิจารณาอะไรพิจารณาธาตุสี่ดินน้ําลมไฟ พ, พิจารณาร่างกาย จากนั้นก็พิจารณาเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจเพราะเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงมันออกไปจากตัวนั้นทั้งหมดทีนี้จอเขาไปหาตัวผู้รู้จอเขาไปหาตัวใจมนโนปุพังเข้ามาทํามาจุดนั้นแหละนี่แหละจุดนั้นแหละเราจะปล่อยวางยังไงเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เรารู้เอาไว้ว่า ถึงมเมื่อเข้ามาถึงตัวพรรู้คือใจแล้วนะธรรมะที่เด็ดขาดและวตัดขาดจริงๆคือธรรมะอนัตตานะให้เราคิดเอาไว้อาวุธตัวนี้เราจะเข้าล็อกยังไงเจนนะเราจะประหารตัวกิเลสภายในใจของเรายังไงไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางยังไงตัวนั้นนั่นแหละให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ สรุปแล้วก็คือทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากตัวผู้รู้จะตับจะทํำยังไงยังจะจับตัวผู้รู้ได้ไม่ต้องพูดหรืเลื่องชาญอย่างนั้น ส, สมาบัตยังนี้่เอาตัวนี้แหละเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจนั่นนะใจเรานึกคิดเรื่องอะไรในขณะนี้เดี๋ยวนี้่ไปทางกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วไปมันไปทางไหนไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเรานะแ ต, แต่ถ้าเราขนาดภาวนายัง <rån> <werk> สติของเรายังจับไม่อยู่เพลินเพลนพันผ่านหลงหลงล้มลืมจับความลมหายใจก็เข้าไม่อยู่นับหนึ่งก็ยังไม่ถึงร้อยอีกต่างหากเผอเผลอปัมปั่มเปลือยเปือับนับได้แต่หายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสี่หายใจเข้าเป็นเลขขี้หายใจออกเป็นเลขคู่ขี่คู่ขี่คู่ ถึงถึงร้อยก็ยังนับไม่ถึงะแล้วเราจะทํำยังไงจติตของเราอ่อนถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องบังคับให้จับให้อยู่ให้เน่งให้ได้ให้นั บ, ด, ด, บดูให้ได้ทดสอบดูให้ได้จุดนี้แต่เมื่อจดสอบตัวตัวนี้ให้ได้เพิงไม่เผลอจะนึกภาวนะพุทธโธหายใจเข้าพุทหายใจออกถูกไม่หลงอีกไม่ไม่ลุ่มหลงอีกมันอยู่นะมันอยู่ อ, อกลับมานับหนึ่งเอง็กซ์มันอยู่ นะพออยู่ที่นี่ก็นั่นะนะ่ะกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกดูนะดูตัวนึกคิดตัวใจของเราเนออี่ยบางทีมันร่างกายมันหายลมมันหายไม่ต้องเสียใจไม่ต้องประวักปรวนไม่ต้องหาลมอีกปล่อยวางมาเลยลมร่างกายหายจะไปหาคิดมันไม่ต้องดูกายดูตัวผู้รู้คือใจท่านนั้นนหะดูตัวไปมันนึกคิดเรื่องอะไรมันรับรู้เรื่องอะไร อสติจับอยู่ตัวนั้นดูแล้วก็ทอดูใจเข้ามาแหละมันจะรู้รเลยเลยใจของเรามันคิดเรื่องอะไรรู้เด็กูเ ด, ด็กูเดกรูดกรู้ใชเออปวดทน่สุดนะเน่เราจะพูดยังไงเราจะตัดเราจ ะ, ะตัดมันยังไงร่างใจของเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นนิจจังของเที่ยงแท้นะ เ, นเห็นไหมฮมันพิกมันดิ้นอยู่เหมือนกับ ปลายกขึ้นมาจากน้นะําแล้วมันมาใส่บนหาดทรายร้อนๆอนะ่ะมันดิ่นอยู่อย่างงั้นจ่ายของเราถ้าเราดูให้ชัดเจนนะมันจะเห็นนะนี่แหละเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วทำไงนั่นแหละสิ่งที่ทยจริงไหนที่มันไม่เที่ยงอสิ่งนั้นเป็นทุกมันทุกนะ่ะมันเกิดทุกมันเป็เที่ยงไม่เทียเท่ยงเป็นทุกมันทุกแล้วจะเป็นตัวเราจะไปยึดความทุกข์มาเป็นตัวเราได้อย่างไรเออเป็นอนัตตานะน่นะตัด ตรงนั้นแ่ะปล่อยวางตรงนั้นนะปล่อยให้พวกเราทุกๆท่านเนเี่เดืองภาวนาเนี่ยนะสรุปแล้วก็คือให้มีสมาธิสะกก่อนในเมื่อมีสมาธิแล้วเอ่อจะไม่อยู่จะอยู่ในสมาธิตลอดโดยไม่พิจารณาเลยไม่ได้นะะ ไ, ไม่ถูกนะเออแต่จะเราจะพิจารณั่งสมาธิจนจิตสงบเน่งสะก่อนจึงนํานํามาเดินปัญญาอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกัน เราต้องพยายามฝึกเขียนบ้างทําจิตให้นิ่งแล้วก็พยายามฝึกเขียนฝึกเดินสมาธิเดินปัญญาฝึกเดินปัญญาพอเดินปัญญาผิดบ้างถูกบ้างธรรมดาไม่ใหม่ก็ต้องเป็นนึกคิดจากนั้นเราก็รู้แหละเรานึกคิดเรื่องอะไรใจของเรามันเป็นยังไงในขณะที่นึกคิดนั้นในเมื่อเรานึกคิดตัวที่นึกคิดนั่น มันเป็นยังไงมันเผลอไปที่ไหนบ้างไหมมันออกไปไหมสติของเราควบคุมอยู่ไหมในเมื่อเราสติของเราดีที่เราฝึกขัดเรื่องสติมาแล้วเนี่ยเราจะให้มันทํางานเรื่องอะไรใจของเรามันเคยอยู่ในเรื่องงานเรื่องนั้นๆนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะอให้ภาวนาให้ดูนะดูใจของพวกเราอันดับแรกก็กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนะพุทธ โทพุทโทให้มีสติให้ดูของหยาบซะก่อนอพอดูกายซะก่อนพอดูกายจับลมหายใจเขาออกก็อยู่ไม่มีปัญห า, าจากนั้นกับกำหนดลมออกจากกําหนดลมหายใจเขออกก็ดูตัวผู้รู้ละบัดนะี้นำตัวผู้รู้พิจารณาร่างกายร่างกายสังขารของเราเนี่ยเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเมื่อพิจารณาเมื่อไหร่ ใช่ร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราแน่ๆตายแน่ๆเ น, น่าเป่วยแน่ๆเห็นตัวอื่นได้ชัดเจนเมื่อพิจารณาเมื่อไหร่ยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นก็เห็นอร่างกายของตัวเองไม่เทียงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เทียงแท้นอนตายแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นในเมื่อจักนันกรมาดูเข้ามาดูใจของเราใจของเราทำไมทำไมาจึงมายึดมาติดมาให้ความสําคัญเรื่องของ กายเรื่องภายนอกจนเกินไปใจของเราเนี้นะดอนย้อนไปหาตัวผู้รนะู้นะท่เนนี่มโนโปูพังตัวมโ น, โนตัวนั้นะคือใจตัววิญญาณตัวผู้รู้ตัวนามธรรมาจุดนั้นแหละนี่แหละเรื่องทั้งหลายทั้งปวงออกมาจากนั้นนะลูกหลานคณะ ท, ทายาทโยมนะพระในพวกเราภาวนาอย่าไปนหนีออกจากกายจากใจนะกายใจกับกากายกับใจใจกับกายสอง สองเรื่องนี่แหละไม่ไปไม่ไปอย่างอื่นอแต่อันดับแรกก็สติของเราให้ดูกายดูลมหายใจในเมื่อจับลมอยู่สติของเราแข็งดีจากนั้นก็จ้อนเขาไปหาตัวตัวตัวการใหญ่ตัวการใหญ่ที่ทำให้โลกยุ่งเยิงวุ่นวายเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่จบที่สิน้นตัวนั่นละ่ะตัวใจนั่น ให้ภาวนาให้ดูดูจุดนั้นนะแล้ววันนี้หลวงพอ่อามาแนะนําเท่านี้ก่อนนะหลวงพ่อจะขอไปพักภาวันพรุ่งนี้หลวงพ่อจะได้ออกไปธุระอีกลุงพ่อจะไม่ได้ฉันในวัดในวันพรุ่งนี้นะแล้วก็เนี่ยให้ครูบาไปเปิดเอ็มพีสามไปฟังสักกันหนึ่งนะฟังอีกต่อหลวง พ, อพ่อพูดน้อยเกินไปให้พวกเรานั่งสมาธิในตอนนี้นะนั่งภาวนาต่อนะ ได้เวลาเงี้ยค่อยออกจากสมาธิเอานั่งสมาธิต่อ